วันนี้เป็นวันจันท ร, ร์ที่ยี่สิบสองกรกฎาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเป็นวันหยุดราชการเป็นวันชดเชยวันเข้าพรรษาที่ผ่านมาที่ไปตรงกับวันอาทิตย์ทางัราชการก็เลย มีวันหยุดชดเชยให้ญาติโยมที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนามีจิตฝ่ธรรมก็จะมีโอกาสมีเวลาเพิ่มขึ้นอีกวันหนึ่งที่จะได้มาใช้ให้กับการสร้างบุญสร้างกุศลต่างๆ ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้กระทากันเพราะการสร้างบุญสร้างกุศลเป็นการสร้างความสุขเป็นการกําจัดความทุกข์ที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปตามลำดับการที่จะสร้างบุญสร้างกุศล และดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้จำเป็นที่จะต้องมีเวลาให้กับการศึกษาให้กับการปฏิบัติพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีเวลาก็จะไม่ได้ศึกษาแล้วก็จะไม่ได้ปฏิบัติ ก็จะไม่ได้สร้างความสุขสร้างความเจริญให้แก่จิตใจกําจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปได้ดังนั้นการที่เรามีเวลานี้ถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งกว่าทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆ ที่มีอยู่ในโลกนี้พอทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆนั้นไม่สามารถสร้างความสุขสร้างความเจริญให้กับจิตใจหรือกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในจิตใจให้หมดสิ้นไปได้เลยสิ่งที่จะกำจัด ความทุกข์ต่างๆสร้างความสุขสร้างความเจริญให้แก่จิตใจก็คือการปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เท่านั้นนอกจากนั้นแล้วจะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถทำให้จิตใจนั้นมีความสุขและหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ ได้มาเกิดในยุคที่มีพระธรรมคำสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้านี้ต้องถือว่าเป็นเป็นลาบอันประเสริฐเป็นโชคอันประเสริฐเพราะว่าพระธรรมคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นสิ่งที่จะให้ความสุขที่เหนือกว่าความสุขของจากสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ในโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นเงินทองกองเท่าภูเขาก็ดีหรือยศตำแหน่งต่างๆก็ดีไม่ว่าจะเป็นประธานาธิบดีเป็นนายกบัตรมนตรี<ม>เป็นกษัตริย์เป็นอะไรก็ตา ม, มความสุขที่ได้จากรับสมบัติเข้าของเงินทอง จากยุตจากตำแหน่งนี้มันเป็นความสุขที่ไม่ยั่งยืนไม่ถาวรมีโอกาสที่จะหมดสิ้นไปได้ไม่ชา้าก็เร็วแล้วเวลาที่มันเสื่อมเวลาที่มันหมดไปความสุขที่ได้มันก็จะหายไปและสิ่งที่เข้ามาแทนที่ ก็คือความเศร้าโศกเสียใจความทุกข์ใจแต่ธรรมะคาสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าได้ปฏิบัติได้นำเข้าสู่จิตใจแล้วจะมีแต่การให้แต่ความสุขขึ้นไปตามลำดับจนถึงความสุขขั้นสูงสุดที่ไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมด ที่จะอยู่คู่กับใจไปตลอดนั่นก็คือความสุขของพระนิพพานความสุขของพระนิพพานนี้เป็นความสุขที่มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวที่ได้ส่งค้นพบไม่มีใครในโลกนี้ที่จะสามารถค้นพบความสุขของพระนิพพานนันนี้ได้นอกจาก พระพุทธเจ้าเท่านั้นคือบุคคลที่ได้บําเพ็ญบุญบารมีมาอย่างโชคโชนที่เราเรียกกันว่าพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์นี้เป็นผู้ที่มีความปรารถนาที่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ที่อยากจะได้ความสุขที่ยั่งยืนที่ถาวร ก็เป็นบุคคลคนเดียวเท่านั้นที่จะสามารถค้นพบความสุขของพระนิพพานได้ด้วยตนเองบุคคลอื่นจะเข้าถึงนิพพานได้นั้นจำต้องรอให้มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรู้ก่อนมาค้นพบพระนิพพานก่อนแล้วค่อยเอาพระนิพพานนี้มาแจกให้กับ พวกเราที่ปรารถนาความสุขของพระนิพพานถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเอาพระนิพพานมาแจากให้กับพวกเราพวกเรานี้จะไม่มีวันที่จะเข้าถึงพระนิพพานได้เลยจะ ต, ต้องอยู่ในกองทุกข์แห่งการเห็นว่ายตายเกิดไปเรื่อ ย, เ, อยเป็นเวลาที่ไม่มีวันสิ้นสุด และการเวียนว่ายตายเกิดนี้ก็มีความทุกข์ตามมาเสมอความทุกข์ที่เราได้จากการเวียนว่ายตายเกิดนี้มันมากมายมหาศาลพบชาติที่เราเวียนว่ายตายเกิดกันนี้มันนับไม่ถ้วนเวลาเราเกิดมาแล้วเราก็อยู่ไป แล้วก็ต้องแก่แล้วก็ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายไปพอตายแล้วไม่ใช่ว่าเรื่องมันจะจบมันไม่จบร่างกายมันจบร่างกายมันกลับคืนสู่สภาพเดิมกลับคืนสู่ธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุนมธาตุไฟแต่ใจนี้มันไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจผู้ที่มาครอบครองร่างกาย ใจผู้ที่มาสั่งให้ร่างกายหาความสุขต่างๆให้กับใจนั้นไม่ได้ตายไปกับร่างกายพอร่างกายนี้ตายไปใจมันก็ไปหาน่างกายอันใหม่ต่อและก่อนที่จะได้น่างกายอันใหม่ก็จะต้องไปใช้รับผลบุญผลบาป ก, ก่อน แล้วแต่ว่าทําอะไรมากกว่ากันทามาทาบาสมากกว่าบุญใจก็ต้องไปรับผลบุญก่อนผลบาปก่อนผลสองบาป ก, ก็คือการได้ไปเกิดในอบายทั้งสี่เช่นเดรฉานเปรตอสศุลกายและนรกนี่คือที่ไปรับผลบาปถ้า มีบาปมากกว่าในใจตอนที่ตายไปถ้ามีบุญมากกว่าบาปก็จะไปรับผลบุญในสวรรค์ชั้นต่างๆพอได้รับผลบุญผลบาปหมดแล้วก็จะมาได้ร่างกายอันใหม่มาเกิดใหม่แล้วก็มาหาความสุข ผ่านทางร่างกายแล้วก็ทำบุญทำบาปสลับกันไปแล้วแต่ความความเคยชินเนื้อแล้วแต่เหตุการณ์บางคนเคยทำบุญก็จะมาทำบุญต่อคนที่เคยชืชินกับการทำบาปก็จะทำบาปต่อ บางคนก็อาจจะขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมถ้าสิ่งแวดล้อมบีบบังคับให้ทำบุญก็จะทำบุญสิ่งแวดล้อมบีบบังคับให้ทำบาปก็จะไปทำบาปแล้วก็ไปรับผลบุญผลบาปต่อเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปนี่คือการเวียนว่ายตายเกิด ของจิตใจของพวกเราทุกคนความทุกข์ที่ได้จากการเวียนว่ายตายเกิดนี้มันมากท่านให้เปรียบเทียบว่าอยากจะรู้ว่าความทุกข์ของการเวียนว่ายตายเกิดนี้มากขนาดไหนก็ให้เอาน้ำตาที่เราหลั่งในแต่ละภพแต่ละชาตินี้มารวมกันเนย น้ำตาที่เราหลั่งมาเนี่ยด้วยความทุกข์ต่างๆนี่มันมากยิ่งกว่าน้ําในมหาสมุทรไนดูสิชาตินี้เราเกิดมาเราหลั่งน้ําตาได้ถึงแก้วหนึ่งเลยอาจจะไม่ถึงแก้วหนึ่งน้ําตาที่เราหลั่งกันเราต้องมาเกิดเวียนว่ายตายเกิดกันกี่ครั้งด้วยกันถึงจะมาหลั่งน้ําตาให้ได้มากกว่าน้ําในมหาสมุทร อันนี้แหละคือปริมาณหรือจํานวนของการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์โลกทั้งหลายเวียนว่ายตายเกิดกันเป็นมาเป็นเวลาอันยาวนานแล้วก็จะเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดถ้าไม่ได้มาพบกับพระพุทธเจ้าก็ดีหรือตัวแทนของพระพุทธเจ้าก็ดี ก็คือพระธรรมคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าที่จะสอนวิธีของการยุติการเวียนว่ายตายเกิดเพื่อให้ได้เข้าถึงความสุขของพระนิพพานที่ไม่มีวันสิ้นสุดพอถึงพระนิพพานแล้วจิตก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง ไม่มีการมากะแก่เจ็บตายอีกต่อไป<ม>อยู่ดับความสงบสุข<ม>ที่ไม่มีความสุขอันใดในโลกนี้ที่จะเทียบเท่าได้<ม>นี่แหละคือคุณประโยชน์หรือพระคุณของพระพุทธเจ้าที่มีต่อสัสต ร, ร์โลกอย่างพวกเราทั้งหลาย ถ้าพวกเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์พวกเราก็ยังจะต้องเรียนว่ายตายเกิดต่อไปอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราได้พบแล้วแล้วเราเกิดศรัทธามีความเชื่อในคำสั่งคำสอนของพุทธเจ้าที่สอนให้ทำให้เราละบาปให้เราทำบุญ ให้เราชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์เชื่อว่าวิธีการนี้จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้จะให้จิตของเราได้เข้าสู่ความสุขของพระนิพพานได้นี่คือสิ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องมีถ้าเรามาเกิดแล้วได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์ ถ้าเกิดเราไม่มีศรัทธาความเชื่อเราก็จะไม่ได้ศึกษาและไม่ได้ปฏิบัติตามพอเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติตามเราก็จะไม่ได้พระนิพพานเราก็จะไม่ได้ยุติการเวียนว่าตายเกิดได้ตอนนี้พวกเราทุกคนก็มาเกิด ในยุคที่มีพระพุทธมีตัวแทนของพระพุทธเจ้าคือพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกน่มีพระอริยบุคคลนำเอาพระธรรมของพระพุทธเจ้าที่สอนไว้ในพระไตรปิฎกนี้มาเผยแผ่ให้กับพวกเราได้ศึกษาให้เข้าใจถึงวิธีของการหลุดพ้น จากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดวิธีที่จะเข้าสู่ความสุขของพระนิพพาน้าขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะมีศรัทธาความเชื่อหรือไม่เราโชคดีที่เรามาเกิดในมงพุทธศาสนาที่มีบิดามารดาส่วนใหญ่เป็นผู้มีศรัทธามีความเชื่อในพระธรรมคาส่งคาสอนของพระพุทธเจ้า จึงคอยป้อนคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าและการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าตั้งแต่เราเป็นเด็กเลยก็ว่าได้ mm hmm. ตอนเช้าที่ไป บ, บินระบาดนี้บ้างจะมีพ่อแม่พาลูกเด็กเล็กบา mm hmm. งคนต้องอุ้มมาก็มี บางคนพามาตั้งแต่อยู่ในท้องเลยก็มีอยากจะให้ได้เข้าถึงพระพุทธศาสนาอยากจะให้ทุกๆได้มีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธศาสนาเพราะว่าถ้าได้เชื่อแล้วก็จะได้ศึกษาเพิ่มเติมและได้ปฏิบัติไปเรื่อยๆจนไม่ช้าก็เร็วก็จะเข้าถึงพระนิพพานได้ แต่ถ้าไม่มีศรัทธาไม่มีความเชื่อนี้ก็จะไม่สนใจที่จะศึกษาไม่สนใจที่จะปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเมืม่อไม่ได้มีการศึกษาไม่มีการปฏิบัติ mm hmm. การหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียว่าตายเกิดก็จะเกิดขึ้นมาไม่ได้ ม, mm hmm. มีพ่อแม่พานเด็กเล็ก ๆ, ๆ มาวัดกันมาปลูกฝังนิสัยการพามาปฏิบัติเนี่ยเป็นการสร้างศรัทธาที่ดีที่สุดเพราะเมื่อเด็กทำตามที่พ่อแม่ได้ทำมันก็จะติดเป็นนิสัยไปพอโตขึ้นมาก็จะทำเองได้โดยที่ไม่ต้องมีพ่อแม่มาดึงมามาพาไปเพราะเวลาที่ได้ทำบุญ ก็มีความรู้สึกสุขใจอิ่มใจแล้วพอได้ยินได้ฟังถึงอ น, นิสงส์ผลบุญที่จะเกิดขึ้นก็ยิ่งจะทำให้มีศรัทธาความเชื่อมั่นมากขึ้นจะทำให้อยากจะทำให้มากขึ้นแล้วก็อยากจะศึกษาวิธีปฏิบัติที่จะให้ผลให้ผลบุญมากขึ้น ถ้าได้ศึกษาไ ด, ได้ได้ศึกษาก็จะได้เรียนรู้ถึงความจริงของจิตใจของตนเองว่าอยู่ในสภาพใดจิตใจของพวกเราเนี้ถ้าเราไม่ได้ศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เราจะไม่รู้เลยว่าเป็นอย่างไรรื่มีจิตใจบางทีเราอาจจะคิดว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้รวมทั้งความรู้สึกนึกคิดต่างๆนี้รวมอยู่ในร่างกายนี้หมด เ, เวลาที่ร่างกายนี้ตายทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่เป็นอยู่นี่มันก็จะตายไปหมดมันจะสูญไปเนี่ยคนคนส่วนมากถ้าไม่ได้เข้าหาพระพุทธศาสนาคนที่คิดว่าศาสนาเป็นเรื่องงมงายเนี่ย นี่มกักจะเชื่อว่าชีวิตจิตใจของตอนนี้อยู่ที่ร่างกายแล้วเวลาพอนั่งกายนี้ตายไปชีวิตจิตใจก็หมดซึ่งไปสิ่งต่างๆที่ได้ทำไว้ไม่ว่าจะเป็นบุญก็ดีเป็นบาปก็ดีก็จะไม่มีการไมไ ม, ไม่มีผลตามมา เพราะเมื่อร่่งกายพูดนงกายพวกเป็นผู้กระทำบาปทำบุญนี้ตายไปแล้วแล้วพอร่างกายสูญสลายไปแล้วใครจะไปรับผลบุญผลบาปต่อไปไม่มีใครรับผลบุญผลบาปต่อไปก็เลยทำให้ไม่กลัวบาปกันไม่คิดที่จะทำบุญกันเพราะการทำบุญนี้เป็นกา ร, การขาดทุน เพราะต้องเสียทรัพ์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆเสียทั้งเวลาแทนที่จะเวลาไปหาเงินหาทองหรือเอาเวลาไปหาความสุขจากเงินทองที่หามาได้กลับต้องเอาเงินทองมาบริจาคมาแบ่งปันให้กับคนอื่นก็ไม่มีความคิดที่อยากจะทำบุญกันแล้วก็จะชอบทำบาป ก, กัน เพราะว่าเวลาอยากจะได้อะไรบางครั้งบางคราวถ้าไม่ทําบาปก็จะไม่ได้ mm hmm. เมื่อมีความอยากต้องการสิ่งนั้นมากๆถ้าต้องการต้องทําบาปก็ยินดีที่จะทําบาปเ mm hmm. พราะคิดว่าตายไปก็จบ mm hmm. คนทําบาปหรือไม่ทําบาปตายไปก็จบเหมือนกันไม่มีผลไม่มีไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีอบาย mm hmm. นี่คือลักษณะของคนที่ไม่มีคำสอนไม่มีศรัทธาความเชื่อในคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า mm hmm. ก็จะเชื่อว่าตายแล้วศูนย์เมื่อตายแล้วศูนไม่มีผลของบุญของบาปที่จะตามมาต่อไปแล้วทำบุญทำบาทำบุญไปให้เสียเงินเสียทองไปทำไมสู้ทำบาปไม่ดีกว่า ทำบาปแล้วได้เงินได้ทองได้สิ่งที่เราต้องการกันนี่คือลักษณะของคนที่เกิดมาในโลกแล้วไม่มีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธเจ้าก็ดีในพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีหรือในพระอริยสงสาวุกของพระพุทธเจ้าก็ดีเพราะความหลงลื่ม อ, อวิชชา ความไม่รู้ความจริงมันปิดบงังปิดกัน้นทำให้ไม่เห็นความจริงว่าชีวิตของพวกเรานี้มีส่วนประกอบอยู่สองส่วนด้วยกันมีร่างกายที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาของร่างกายและก็มีใจที่เราสามารถรับรู้ได้ด้วยใจแต่เราไม่รู้ว่าใจกับร่างกายนี้เป็นคนต่คนกันทั้งนี้ เราถ้าไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสอนเราก็จะคิดว่าเรากับร่างกายนี้เป็นคนเดียวกันเวลาร่างกายตายไปเราก็จะคิดว่าใจก็ตายไปกับร่างกายด้วยแต่ความจริงแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นถ้าเราศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำมาไปปฏิบัติเพื่อพิสูจน์ความจริง เราจะสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนเรื่องของร่างกายกับเรื่องของใจนี้เป็นเรื่องของคนสองคนที่มาอยู่ร่วมกันมาทำกิจกรรมร่วมกันเหมือนเป็นสามีภรรยากัน<ม>เป็นคนสองคนใจนี้เป็นคนที่ไม่มีรูปร่างหน้าตาแต่มีความรู้สึกนึกคิดส่วนร่างกายนี้มีรูปร่างหน้าตา แต่ไม่มีความรู้สึกนึกคิดเราอย่าไปคิดว่าความรู้สึกนึกคิดมาจากสมองอันนี้เป็นความเข้าใจผิดความรู้สึกนึกคิดนี้มาจากใจใแล้วก็ใจนี่แหละเป็นผู้ที่สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆตามความต้องการของใจซึ่งความต้องการของใจก็ถูกฝังมาเป็นเวลาอันยาวนานก็คือความอยาก ที่จะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัชชนิดต่างๆ<ม>เรียกว่าการมาตัญหาและความอยากที่จะมีอยากจะเป็นรืออยากเจริญในราบยศสรรเสริญ<ม>อยากรล้ามรวยอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากได้ ร, ไดรับการยกย่องด้วยการรับรางวัลชนิดต่างๆ<ม>อันนี้มันเป็น สิ่งที่ฝังมาอยู่ในใจของใจของทุกๆสัตว์โลกทุกๆคนแล้วก็มีความอยากอีกอย่างคือความอยากไม่เป็นคือความอยากไม่สูญเสียลาบยศสรรเสริญสุขที่ได้มานั่นเองเวลาได้ลาบยศสรรเสริญสุขมาก็อยากจะให้มันอยู่ไปนานๆอยากให้รวยไปนานๆอยากให้เป็นใหญ่เป็นโตไปนานๆ อยากให้ได้รับรางวัลได้รับการยกย่องสรรเสริญไปนานๆอยากให้ความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี้อยู่ไปนานๆาน mm hmm. เวลาที่มันไม่อ ย, mm hmm. ย, อยู่มันก็จะทำให้ใจเกิดความทุกข์ขึ้นมาโดยเวลาที่อยากได้แล้วไม่ได้มันก็จะทำให้ใจเกิดความทุกข์ขึ้นมาไอ้สามความอยากทั้งสามตัวนี้แหละเป็นตัวที่ คอยผลักดันใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายให้ไปเกิดใหม่พอร่างกายอันนี้ตายไปใจมันไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจที่มีความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสใจที่มีความอยากได้ลาบยศสารเสริญ ส, สุขใจที่อยากจะให้ความสุขอยากจะให้ลาบยศสารเสริญสุขที่ได้มานั้นอยู่ไปเรื่อยๆไม่มีมันหมดไม่มีวันสิ้นนี้ อยากจะให้ร่างกายที่ได้มานี้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็จะพาให้ใจนี้ไปหาร่างกายอันใหม่อยู่ด้วยโดยที่ไม่เคยคิดถึงเลยว่าทุกครั้งเวลาที่ได้ร่างกายมาแล้วนี้แทนที่จะได้ความสุขเพียงอย่างเดียวจากการได้ร่างกายนั้นมันก็มีความทุกข์ตามมาด้วยเพียงแต่ว่ามันมักจะมาตามบ้านปลายของชีวิต ความทุกข์ที่ได้จากร่างกายก็คือตอนที่ร่างกายแก่ตอนที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยตอนที่ร่างกายจะตายนี่ตอนนั้นอ่ะมันจะได้เจอกับความทุกข์ที่แสนสาหัสอันนี้คือเรื่องที่จะทําให้เรามีศรัทธาหรือไม่นี้ก็อยู่ที่ว่าเรา ได้มีผู้ที่คอยช่วยปลูกฝังความศรัทธาให้กับเราหรือไม่เช่นนี้เรามาเกิดในครอบครัวของที่ของผู้ที่มีศรัทธาพ่อแม่ก็มักจะปลูกฝังศรัทธาของพ่อแม่ให้กับลูกด้วยด้วยการพาลูกไปทำกิจกรรมต่างๆทางพระพุทธศาสนาตอนต้นถ้ายังไม่รู้เรื่องรู้ราวก็พาพาไปให้ทำตามพาไปใส่บาตร พาไปนั่งฟังเทศฟังธรรมพ่อแม่ทําอะไรลูกก็ต้องทําตามเพราะลูกยังเล็กอยู่ไม่สามารถที่จะทําอะไรเองได้ถ้าพ่อแม่ทําอย่างนี้เรื่อยๆก็จะปลูกฝังนิสัยของการการทําบุญของการทําอะไรตามคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพอโตอขึ้นพอเริ่มเข้าใจ เริ่มได้ศึกษาได้เรียนรู้ก็จะเกิดศรัทธาความเชื่อขึ้นมาแล้วก็จะนำไปสู่การศึกษาเพิ่มมากขึ้นนำไปสู่การปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับบุญบรารมีของแต่ละคนที่ได้เคยสร้างมาในอดีตชาติว่ามีมากมีน้อย ถ้ามีบุญบา ร, รมีมากบุญบา ร, รมีนี้ก็จะผลักดันให้ศึกษาคาสอนของพระพุทธเจ้าเข้มข้นขึ้นมากขึ้นแล้วก็ปฏิบัติตามคำสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับถ้ามีบา ร, รมีมาน้อย<ม>ก็จะมีแรงผลักดันให้ศึกษาให้ปฏิบัติ ทางคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ได้น้อยซึ่งเราคงจะเห็นชาวพุทธเหล่านี้อาจจะมีแบ่งไว้เป็นสามระดับก็ได้บางพวกเกิดมาแล้วก็มีบา ร, รมีดันให้ม า, ากัดันให้มาทำบุญท ำ, ท, ำทานอย่างสม่าเสมอแต่ยังไม่สามารถที่จะรักษาศีลหรือไปภาวนาได้ บางคนก็มีบารมีผลักดันมาให้ทาบุญทาทานมาให้รักษาศีลได้แต่ยังไม่ได้ไปภาวนายังไม่สนใจกับการฟังเทศฟังธรรมยังไม่ได้สนใจกับการไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิอะไรต่างๆบางคนก็มีบารมีมากพอที่จะมาผลักดันให้ได้ทาบุญทำทานได้รักษาศีล แล้วได้บำเพ็ญภาวนาแต่ก็ยังไม่ได้ภาวนาแบบเต็มที่อาจจะภาวนาบ้างวันละครั้งสองครั้งฟังเทศฟังธรรมบ้างอาทิตย์ละครั้งบ้างเช่นวันพระก็ถือว่าเป็นวันที่เป็นวันธรรมธรรมสวัสวันฟังธรรมก็อาจจะฟังธรรมศึกษาธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าบ้างบางพวกบางท่านก็อาจจะ มาถึงจุดที่อยากจะภาวนาเพียงอย่างเดียวอยากจะรักษาศีลอยากจะภาวนาเพียงอย่างเดียวเพราะเห็นว่าถ้าต้องการที่จะหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดถ้าต้องการที่จะเข้าถึงความสุขของพระนิพพานนี้จําเป็นที่จะต้องภาวนาตลอดเวลาไม่ต้องทํางานอย่างอื่นเอาเวลาทั้งหมดมาให้กับการ บำเพ็ญจิตตะภาวนามาสร้างสติมาสร้างสมาธิมาสร้างปัญญาที่จะเป็นเครื่องมือที่จะพาให้จิตได้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่าตายเกิดได้บุคคลเหล่า น, นี้ส่วนใหญ่ก็มักจะไปบวชกันไปเป็นพ่ะเป็นชีกันเพราะบาลมีเก่าที่ได้ส่งเสริมมาบวกกับ คำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เห็นว่าไม่มีอะไรในโลกนี้นี้จะให้ความสุขเท่ากับความสุขของพระนิพพานความสุขต่างๆของโลกนี้มันเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่จะต้องมีความทุกข์ติดมาเสมอแต่ถ้าเป็นความสุขของพระนิพพานนี้มันเป็นความสุขที่ยั่งยืนที่ถาวร ที่ไม่มีวันสิ้นสุดพอได้ยินได้ฟังได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เรียนรู้วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วก็จะทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการปฏิบัติจิตตภาวนาส่วนเรื่องการทำบุญทำทานนี้ก็ทำทีเดียวให้มันหมดไปเลยคนส่วนใหญ่ที่ไปเป็นนักบวชนี้เขาก็จะสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทรร ให้แก่ผู้อื่นไปหมดไม่เอาติดตัวไปเพราะเงินทองนี้ไม่เป็นไม่เป็นสิ่งเทียมจำเป็นต่อต่อการปฏิบัติธรรมและนอกจากไม่ใช่เป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วยังเป็นเป็นเป็นมารขวางกั้นก็ได้เป็นอุปสรรคเป็นนิวรเพราะถ้ามีเงินนะบางทีก็มักจะถูกกิเลสมาลอกมาลอให้เอาไปใช้ ใ ห, ให้ไปใช้ตามความอยากของกิเลสซึ่งเป็นการไปสร้างความทุกข์เป็นการพาจิตให้กลับไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดถ้าทําอะไรด้วยความโลภความอยากแล้วมันไม่ได้เป็นการตัดภพชาติมันไม่ได้เป็นการพาจิตไปสู่พระนิพพานแต่มันเป็นการพาไปทิศตรงกันข้ามกันพาให้เพิ่มไว้เพิ่มภพชาติให้มีมากขึ้น พาให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏให้นานขึ้นดัง น, นั้นผู้ที่ต้องการจะไปนิพพานนี้ผู้ที่ต้องผู้ไปบวชในพระพุทธศาสนานี้ยังไม่จําเป็นที่จะต้องมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองติดตัวไปด้วย mm hmm. เพราะว่าถ้าได้บวชแล้วก็จะมีผู้ที่มีจิตศรัทธาผู้ที่ยังอยู่ในระดับทานจะยินดีที่จะสนับสนุน ผู้ที่ยังบวชไม่ได้แต่มีศรัทธาความเชื่อในการทำบุญทำทานก็จะเป็นผู้ที่มาใส่บาตรเป็นผู้ที่จะมาคอยสนับสนุนค่าใช้ใจ่ายต่างๆถึงแม้จะไม่ได้เป็นพระเป็นแม่ชีก็มีผู้สนับสนุนถ้าไปอยู่ตามวัดที่มีแม่ชีเขาอยู่ร่วมกันเนี่ยเขาก็จะมีญาติโยมศรัทธาที่อยากจะไปทำบุญกับแม่ชีก็มีเพียงแต่ว่าอาจจะมีน้อยกว่า วัดวาอารามที่ให้มีพระภิกษุอยู่แต่ก็มีอยู่สำหรับผู้ที่อยากจะภาวนาอยากจะบวชเป็นชีนี้ก็สามารถที่จะไปหาสำนักของแม่ชีต่างๆและไปอยู่ไปศึกษาได้โดยที่ไม่ต้องมีเงินมีทองเพียงแต่ว่าต้องมีความจริงจังต่อการศึกษาต่อการปฏิบัติ ทำหน้าที่ของนักบวชให้สมบูรณ์คือรักษาศีลให้บริสุทธิ์แล้วก็ให้ปฏิบัติให้ศึกษาและปฏิบัติพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างสม่ำเสมอ mm hmm. ไม่ไปทำกิจกรรมอย่างอื่น mm hmm. ทำกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องจิตธรรนาเพียงเดียว mm hmm. อันนี้ก็สำหรับบุคคลที่ มีบารมีที่ได้สะสมมามากภายในจากอดีตชาติบุญบารมีเก่านี่นะ่ะจะเป็นแรงผลักดันให้ไปปฏิบัติธรรมขั้นสูงต่อไปได้ถ้ามีบุญบารมีน้อยก็จะปฏิบัติธรรมขั้นต่ำไปก่อนพราะไม่มีกำลังเหมือนกับขับรถขึ้นเขาเนี่ย รถที่มีกำลังเยอะก็จะสามารถขึ้นเขาได้อย่างง่ายได้รถที่มีกำลังน้อยก็จะขึ้นเขาไปไม่ถึงไหนบางทีขึ้นไปได้ครึ่งทางก็ต้องถอยกลับลงมาหมดแรงหมดกำลังแต่นี้ก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับผู้ที่มีศรัทธามีความเชื่อในพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า และมีความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติตามกำลังของตนและพยายามเพิ่มให้มันมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะการปฏิบัตินี้เมื่อได้เริ่มปฏิบัติแล้วพอมันเมันพอมันเกิดผลขึ้นมาถึงแม้ว่าจะไม่มากเล็กๆน้อยๆผลเล็กๆน้อยๆนี้มันจะเพิ่มกำลังให้กับใจทำให้มีกำลังศรัทธาเพิ่มมากขึ้น ทำให้มีความเพียพรพยายามที่จะปฏิบัติเพิ่มให้มากขึ้นขอให้มีการเพียพรพยายามเท่านั้นเป็นหลักอย่ามาตัดโอกาสอย่ามาคิดว่าเราเกิดมาในชาตินี้ไม่มีโอกาสที่จะไปถึงพระนิพพานได้ถ้าคิดอย่างนี้ก็เท่ากับผิดทางทางเดินของเราไปทุกคนมีโอกาสไปถึงพระนิพพานได้ด้วยกันทุกคน อยู่ที่ว่าจะไปช้าหรือไปเร็วบางคนต้องใช้เวลามากหน่อยเพราะบารมีเก่ามีน้อยต้องบ่มบรารมีให้มีเพิ่มมากขึ้นไป <Yeah. S 1> ก็ต้องใช้เวลามากกว่าคนที่มีบารมีเก่ามาแล้ว <Yeah. S 1> ก็เปรียบเหมือนกับรถที่รถที่มีน้ามันอ ย, <Yeah. S 1> อ ย, อยู่อยู่เก่าแล้วพอเวลาเติมน้ามัน ให้เต็มถังก็ไม่ต้องเติมมากไม่เหมือนกับรถที่ไม่มีน้ํามันหรืออยู่ในถังเลยก็ต้องเติมน้ํำมันมากกว่าถึงจะเต็มถังได้เนื้อนี้คือเรื่องของการที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ในในยุคนี้ได้ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาพบกับพระพุทธเจ้าก็ดี หรือพบกับตัวแทนของพระพุทธเจ้าคือพระธรรมคำสั่งคำสอนก็ดีหรือพ บ, พบกับพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าก็ดีเราก็จะได้ยินได้ฟังเรื่องของพระนิพพานเรื่องของการตัดภพตัดชาติเรื่องของการยุติการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องของวิธีของการปฏิบัติที่จะทำให้พบชาติต่างๆที่เราเวียนว่ายตายเกิดมาอย่างยาวนานนี้ มันหมดสิ้นไปในที่สุดจันงถือว่ายุคนี้เป็นยุคที่ดีที่สุดสำหรับพวกเราโอกาสที่จะได้มาเกิดมาพบกับพระพุทธศาสนามาพบกับพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์นี้ไม่ใช่เป็นของที่เกิดขึ้นได้ง่ายๆถ้าจะเปรียบเทียบระหว่างการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งกับการมาพบกับพระพุทธศาสนานี้ ก็ต้องถือว่าการถูกพระพุทธเลร้งวันที่หนึ่งนี้เป็นของที่ง่ายกว่ายามากมายหลายล้านเท่าด้ยวยกัน mm hmm. การที่จะได้มาเจอกับพระพุทธศาสนานี้เป็นของที่ยากมากเพราะว่าการจะเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นี้มันก็เป็นของที่ยากไม่ใช่จะเกิดได้ในทุกยุคทุกสมัยระยะเวลาของการปรากฏของพระพุทธเจ้าแต่ละองค์ที่ ที่ห่างกันนี่มันเป็นกับเป็นกันคําว่ากับว่าการ น, นี้มันเป็นระยะเวลาที่ยาวแสนแสนยาวที่ไม่สามารถที่จะเขียนด้วยตัวเลขได้ว่าเป็นกี่แสนล้านปีเป็นต้นแต่ก็ให้ถือว่ามันเป็นระยะเวลาที่ยาวมากอาจจะต้องเวียนว่ายตายเกิดเป็นหลายร้อยล้านชาติถึงจะได้มาเจอกับพระพุทธศาสนาสักครั้ง <ม>เพราะว่าการเกิดของพระพุทธเจ้านี้นานๆจะปรากฏขึ้นมาได้สักครั้งหนึ่งแล้วก็การได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่ได้ไหมายหมายเขาว่าจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ทันทีหลังจากที่เราตายไปแล้วบา<ม>งทีก็ต้องไปรับผลบุญผลบาปอีกเป็นเวลาหลายน้อนหลายล้านปีก็ได้<ม>ถ้าสมมุติว่าเราตายไปวันนี้พระพุทธศาสนาที่อยู่ในโลกนี้ อาจจะหมดไปได้เมื่อเรากลับมาเกิดใหม่เป็นมนุษย์แล้วเพราะพระพุทธศาสนานี้ mm hmm. นอกจากเกิดมายากแล้วยังอยู่ไม่ได้ไม่นานด้วย mm hmm. อย่างศาสนาของเรานี้พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ว่าจะอยู่ได้ประมาณห้าพันปี mm hmm. ตอนนี้เรามายุคครึ่งครึ่งทางแล้วสองพันหกร้อยสิบสองปี mm hmm. คืออายุของพระพุทธศาสนาถ้าเกิดเราตายไป ถ้าเราไปรับผลบุญในสวรรค์หรือไปรับผลบาปในอบายเวลาเราจะกลับมาเกิดอาจจะเกินสองพันกว่าปีไปก็ได้ถ้าเรากลับมาในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาเราก็จะไม่มีใครมากระตุ้นมาสอนให้เรารู้เรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดรู้เรื่องของความสุขของพระนิพพานเราก็จะในยุคมืดบอดบอดจากพระนิพพาน บ่จากการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเราก็จะเวียนว่ายตายเกิดไปอีกไม่รู้กี่แสนล้านชาติเดียกันเกิดแก่เจ็บตายล้องห่มร้องให้เศร้าโศกเสียใจได้มาได้อะไรมาก็ต้องเสียไปได้รับยศสรรเสริญได้ความสุขจากสิ่งต่างๆในโลกนี้พอร่างกายตายไปก็สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไป แล้วก็ต้องกลับมาเกิดใหม่มาหาใหม่มาดิ้นรนโขนควายหาลาบยศสรรเสริญหาค้างสุขกันใหม่ก็จะทำกันอยู่อย่างนี้ไปแล้วไปเรื่อยๆ<ม>ความทุกข์ที่ได้จากการที่จะต้องมาเจอปัญหาต่างๆเจ อ, อประสรคต่างๆเจอการสูญเสียต่างๆมันก็จะมีมาให้ใจได้ทุกอยู่เรื่อยๆตลอดเวลา ดังนั้นถ้าเราได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนาแล้วเราได้มาเป็นมนุษย์นี่เป็นสูตรสาเร็จสู่การไปสู่พระนิพพานการจะไปพระนิพพานได้นี้จําเป็นที่จะต้องมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็มาพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงจะสามารถไปพระนิพพานได้ยกเว้น พวกที่มาเกิดเป็นเทวดาในยุคที่มีพระพุทธเจ้าหรือในยุคที่มีพระอาหารหันตสาวกบางลูกที่สามารถที่จะใช้พลังจิตไปสอนพวกเทวดาให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้แต่ก็จะไม่แพร่หลายเหมือนกับการได้มาเป็นมนุษย์ การเป็นมนุษย์นี้พระพุทธเจ้าหรือพาาาระอนันตสาวกท่านก็เป็นมนุษย์ก็จะได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังธรรมจากท่านง่ายกว่าการที่ไปเป็นเทวดาเพราะการไปเป็นเทวดานี้ก็ต้องเป็นเทวดาแบบที่ใฝ่ธรรมแลวต้องรู้เวลาว่ามีพระพุทธเจ้าหรือมีพาาาระอนันตสาวกรูปใดรูปหนึ่งมาโปรดแสดงธรรมให้ฟังถึงจะได้สามารถไปได้ยินได้ฟังธรรม ได้ปฏิบัติธรรมแต่ถ้าเป็นมนุษย์นี้มันจะมีโอกาสได้ยินได้ฟังธรรมมากกว่าได้ปฏิบัติธรรมได้มากกว่าการไปเป็นเทวดาดังนั้นถือว่าการได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้มาพบกับพวกพุทธศาสนานี้ต้องถือว่าเป็นโชคกาลาบันประเสริฐ พราะรางวัลที่เราจะได้รับจากการได้มาพบกับพระพุทธศาสนาก็เป็นรางวัลที่มีคุณค่าราคามากกว่าทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่มีอยู่ทั้งหมดในโลกนี้ mm hmm. เพราะประโยชน์ที่เราจะได้รับจากธรรมะของพระพุทธเจ้านี้มันเป็นประโยชน์ที่ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้สามารถจะมอบให้กับเราได้ คือการหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดการได้เข้าถึงความสุขของพนานิพานต้องมาเจอในยุคที่มีพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์เป็นผู้นำทางเป็นผู้สอนเราเมื่อเรามาเกิดแล้วเรามาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สิ่งที่เราจาเป็นที่จะต้องมีก็คือต้องมีศรัทธาถ้าเรายังไม่มีศรัทธา ก็ต้องพยายามศึกษาพระธรรมคำสอนไปเรื่อยๆศึกษาไปศึกษาไปแล้วความเข้า อ, อกเข้าใจในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็มีเพิ่มมากขึ้นไปจนในที่สุดก็จะเกิดศรัทธาขึ้นมา mm. เกิดศรัทธาที่อยากจะไปพานิพนานกันเพราะเมื่อเห็นว่าว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถให้ความสุขอย่างพานิพนานได้ ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้เท่ากับการไปถึงพระนิพพานมันก็จะทำให้เกิดจัดทธาเกิดความเชื่อเกิดฉันทะวิริยะขึ้นมาฉันทะก็คือความพอใจความยินดีที่จะศึกษาปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็จะมีวิริยะคือความขยันหมั่นเพียร ในการปฏิบัติจะพยายามเอาเวลาที่มีอยู่ทั้งหมดมาให้กับการศึกษาให้กับการปฏิบัติจะไม่ไปคิดจะทำให้อะไรอย่างอื่นอีกต่อไปจะไม่ไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะจากการศึกษาก็จะรู้ว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่ใช่เพียงแต่จะให้ความสุขเพียงอย่างเดียวมันจะมีความทุกข์ติดมาด้วยเสมอ กับทุกสิ่งทุกอย่างพอทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่วข่าวเป็นของที่มีเจริญก็ก็ต้องมีการเสื่อมไปเป็นธรรมดาเวลาเจริญเราก็จะมีความสุขกันเวลาได้สิ่งที่เรารักเราชอบเจรนราบยศจัดเสริญสุขพอเราได้มาเราก็จะมีความสุขกันพอเวลาเขาเปลี่ยนไปแล้วเวลาเขาหมดไปความสุขนั้นก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมา ทุกครั้งไปมันก็จะทำให้เราไม่อยากจะไปหาความสุขทางโลกอีกต่อไปอยากจะทุ่มเทชีวิตจิตใจเวลาของเราที่มีอยู่นี้ให้กับการศึกษากับการปฏิบัติเพิ่มขึ้นไปตามลำดับถ้ายังทำงานอยู่ก็ จ, จะลดเวลาการทำงานลงให้น้อยลงเพราะว่าความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินใช้ทองก็จะลดน้อยลงไปถ้าเรา เข้าสู่การปฏิบัติแล้วเราก็จะไม่ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็จะไม่ต้องเสียเงินเสียทองไปกับการไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสถ้าจำเป็นก็เพียงแต่มีเงินไว้สําหรับเลี้ยงดูร่างกายนี้เท่านั้นมีเงินไว้สําหรับซื้อปัจจัยสี่คืออาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค ก, การที่เราจําเป็นที่จะต้องทําเงิน ทำงานมีเงินมากๆก็จะไม่ก็จะไม่จําเป็นอีกต่อไปทําเพียงพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ก็พอเราก็จะทําน้อยลงแล้วเราก็จะมีเวลาให้กับการศึกษากับการปฏิบัติมากขึ้นไปแล้วยิ่งเราปฏิบัติได้มากขึ้นเท่าไหร่ความสุขใจอิ่มใจที่เกิดจากการปฏิบัติก็จะมีเพิ่มมากขึ้นนี่จะทาให้เราในที่สุดนี้ เราจะไม่มีความยินดีไม่มีความสนใจที่จะหาความสุขจากทางโลกอย่างต่อไปเราก็า จ, จะไปบวชกันไปอยู่เป็นแบบเป็นนักบวชกันไม่ต้องทำอะไรวันหนึ่งมีแต่ให้เวลากับการปฏิบัติธรรมและศึกษาธรรมจากครูบาอาจารย์เป็นช่วงๆเป็นพักๆเวลาไปบวชไปอยู่กับครูบาอาจารย์เราก็อาศัยครูบาอาจารย์นี่แหละเป็นผู้สั่งผู้สอน ท่านก็จะคอยสอนให้เรามานักษาศีลให้บริสุทธิ์ให้เรามีความเพ่งขั้นต่อการอยู่แบบส ม, มณะแบบนักบวชเ็าอยู่แบบมากน้อยสันโดษไม่ให้ไปหลงไหล ย, ยินดีกับอของฟุ่มเฟือยต่างๆยินดีกับความสุขของราดของรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆให้เรามันเพียนปฏิบัติ จเจริญสตินั่งสมาธิจเจริญปัญญาสลับกันไป mm hmm. เมื่อใจมีสติมีปัญญามีสมาธิดอเลี้ยงจิตใจก็เหมือนต้นไม้ที่มีน้ำมีปุ๋ยต้นต้นไม้ก็จะค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นไปตามลำดับ mm hmm. จากที่เป็นต้นก้าก็จะกลายเป็นต้นใหญ่ขึ้นมาแล้วไม่นานก็จะออกดอกออกผลขึ้นมา อันนี้ก็เหมือนกันใจเราก็เป็นเหมือนต้นไม้ที่ต้นธรรมะจะว่าเป็นไม้ก็คือต้นธรรมะที่เรารับมาจากพระพุทธเจ้าเอาเอาเมล็ดพืชของธรรมะมาปลูกฝังไว้ในใจเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปลูกฝังไว้ภายในใจแล้วก็ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ระดับต้นก็คือตั้งแต่ระดับทำบุญททานระดับรักษาศีล แล้วก็พอมาถึงระดับภาวนาก็ภาวนากันอย่างเต็นที่อคอยลดน้ํำพร ด, ดินให้กับต้นไม้อยู่เรื่อยๆคอยกําจัดวัชพืชต่างๆที่อาจจะมากัดมากินต้นไม้ทําให้ต้นไม้ไม่เจริญเติบโตต้นธรรมะไม่เจริญเติบโตคอยกําจัดกิเลส ต, ตัณหานิ้วอนต่างๆที่จะมาคอยฉุดลากใจให้ออกนอกลูนอกทางหให้ใจ ตั้งมั่นอยู่ในทางแห่งการหลุดพ้นทางของมรรคก็มรรคคือศีลสมาธิปัญญาให้เจริญสติให้นั่งสมาธิแล้วก็สลับกับการเจริญปัญญาเวลาที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิเวลาที่ไม่ได้เจริญสติเวลาออกจากสมาธิมาก็เจริญปัญญาสลับกันไปก็ได้เพื่อจะได้เห็นความทุกข์ทั้งหลายว่าเกิดจากความอยาก และเห็นสิ่งต่างๆที่ความอยากต้องการนี้มันเป็นทุกข์<ม>เพราะว่ามันไม่เที่ยง ม, มันไม่ได้เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะเก็บรักษาให้อยู่กับเราให้เป็นสมบัติของเราไปได้ตลอดมไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องสูญเสียมันไปพอสูญเสียมันไปก็จะเกิดความเศร้าโศกเสียใจตามมามให้เห็นว่าไม่มีอะไรในโลกในตาตายโลกนี้ในตายพบนี้ ที่จะให้ความสุขถาวรได้ไม่ว่าจะเป็นการมาสุขก็ดีไม่ว่าจะเป็นความสุขจากรูปฌานหรือรูปฌานก็ดีล้วนเป็นความสุขแบบชั่วคราวแต่นอนีจจังเมื่อมันเป็นนิจจังมันก็จะต้องทำให้เกิดทุกขังตามมาเวลามันเสื่อมเวลามันหมดไปมันเป็นอนัตตาเพราะไม่มีใครไปควบคุมบังคับไปสั่งให้มันไม่เสื่อมไม่ได้ ทุกอย่างในตายภพนี้มันมีเสื่อม้วมันก็มีเจริญมันก็ต้องมีเสื่อมไปเป็นธรรมดาถ้าไปอาศัยไปยึดมันเป็นเครื่องมือให้ความสุขไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องเจอกับความทุกข์อันนี้เป็นขั้นของการปฏิบัติขั้นปัญญาก็จะตัดความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปไม่แต่ความอยากจะเข้าสมาธิก็ไม่ต้องเข้าถ้าถึงขั้นนั้นแล้วแต่ขั้นที่ถ้ายังไม่ถึงขั้นสมาธิยังอยู่ขั้นกำจัดกำ กามคุณอยู่กำจัดกามตัญหาอยู่ตอนนั้นยังต้องอาศัยสมาธิเป็นเครื่องมือในการกำจัดความอยากในกามคือกามตัญหาแต่พอกำจัดกามะตัญหาได้แล้วกจ็จะมาติดกับความสุขของสมาธิพอรู้ว่าติดกับความสุขของสมาธิก็ต้องตัดเพราะความสุขของสมาธิก็เป็นของไม่เที่ยมมันสุขตอนที่สงบ เวลามไม่สงบมันก็จะทําทให้ใจทุกข์ได้เพราะความอยากจะให้ใจสงบนั่นเองก็ต้องจัดความอยากให้ใจสงบไปด้วยพอตัดความอยากให้ใจสงบใจที่ไม่สงบจากความอยากมันก็สงบของมันโดยธรรมชาติตัวที่มาทําให้ใจไม่สงบก็คือความอยากต่างๆนี่พอกาจัดความอยากต่างๆได้หมดใจก็จะสงบสุขไปตลอดความสุขที่ได้จากความสงบนี้ อระุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นความเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ก็เป็นสองระดับด้วยกันระดับชั่วคราวกับระดับถาวรระดับชั่วคราวก็ระดับของสมาธิที่เกิดจากการเจริญสติอย่างต่อเนื่องคอยควบคุมความคิดคอยหยุดความคิดไม่ให้ใจคิดถึงเรื่องราวต่างๆพอสามารถควบคุมจิตให้ตั้งอยู่ในความสงบได้ ด้วยสติก็ใจก็จะเกิดความสุขขึ้นมาชั่วคราวเป็นความสุขเป็นความสงบแบบชั่วคราวเพราะกำลังของสตินี้จะไม่สามารถที่จะทำจิตให้สงบได้ตลอดเวลาอพอจิตพอสติอ่อนกำลังลงจิตก็จะออกจากสมาธิมาความสงบที่ได้จากสมาธิก็จะหายไปถ้าอยากจะให้ ได้ความสงบของสมาธิก็ต้องใช้สติบังคับให้จิตเข้าไปสู่ความสงบอีกแต่ถ้าอยากจะให้จิตสงบแบบไม่ต้องเข้าสมาธิสงบแบบถาวรก็ต้องใช้ปัญญาค้นหาเหตุที่ทำให้ใจไม่สงบก็จะเห็นว่าเหตุที่ทำให้ใจไม่สงบเวลาที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิก็คือความอยากนี่ความอยากให้ใจสงบนี่นนตัวนี้ก็ต้องกาจัดมันความอยากอย่างอื่นก็กาจัดมันไปหมดแล้ว ความอยากได้ความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นแล้วนี้ก็ตัดไปหมดนะความสุขที่อยากจะได้จากร่างกายจากเวทนาก็ตัดไปหมดนะแล้วเหล้วแต่ความความสุขที่อยากจะได้จากใจอยากจะให้ใจสุขไปตลอดแต่การที่อยากจะให้ใจสุขไปตลอดนี้ mm. ก็ต้องตัดความอยากนี้ไปให้ได้เพราะความอยากตัวนี้แหละที่ทําให้ใจไม่สงบไม่สุขไปตลอด อันนี้เป็นขั้นปัญญาที่ค่อนข้างที่จะลึกซึ้งเพราะเป็นการเหมือนย้อนสอนการปฏิบัติมาตั้งแต่ต้นนี้ให้ตัดความอยากตัดความอยากในสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ไม่ได้สอนให้ตัดความอยากในความสงบแต่พอมาถึงขั้นสุดท้ายก็จะมาพบว่าตัวที่มาทำให้จิตไม่สงบตลอดเวลาก็คือความอยากไม่สงบนั่นเองความอยากให้ใจสงบพอเวลาใจอยากสงบปับใจมันก็วุ่นวายขึ้นมาทันที ทุกครั้งที่เกิดความอยากใจจะกระเพิ่มขึ้นมาใจก็จะไม่นิ่งถ้าอยากจะให้นิ่งใจนิ่งไม่กระเพิ่มเลยตลอดเวลาก็ต้องคอยกําจัดความอยากความอยากให้ใจนิ่งเนี่ยให้มันอยู่ไม่อยู่ไปในใจปล่อยให้ใจมันไม่นิ่งไปมันให้พิจารณาว่าใจก็ยังอยู่ภายใต้กฎของตายรักอยู่คือความสงบของใจนี้มันยังไม่ได้เป็นความสงบที่เหนือตายรักมันยังอยู่ภายใต้กฎของตายรักอยู่ ความสงบของที่ได้จากสมาธิดังนั้นก็ต้องปล่อยให้มันสงบบ้างไม่สงบบ้างไม่ต้องไปทําอะไรเพรียงแต่ว่าอยากไปอยากให้มันสงบเท่านั้นเองปล่อยให้มันสงบเองนที่จะปล่อยให้มันสงบเองก็ต้องหยุดความอยากที่จะให้ใจสงบนี่พอเราเข้าใจหลักนี้นะพอจะเกิดความอยากให้ใจเข้าสมาธิอยากให้ใจเวลาใจกระเพื่อมใจไม่สงบเราก็ให้รู้เฉยๆไป ปล่อยมันก็เพิ่อมไปมันก็การกระเพิ่มของใจนี้ก็เป็นอนิจจังทุกขงังอนตัตตาไม่ต้องไปยุ่งกับมันปล่อยมันกระเพิ่มไปแล้วเดี๋ยวสักพักมันก็จะเปลี่ยนไปเองมันเป็นอนิจจังจากใจที่กระเพิ่มก็จะกลับมาเป็นใจที่นิ่งใหม่ต่อไปถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันต่อไปมันก็จะไม่กระเพิ่มเลยถ้าเราไม่มีความอยากเพราะตัวความอยากนี้แหละที่เป็นตัวที่ไปทําให้ใจกระเพิ่มขึ้นมาพอเราถึงจุดนี้แล้วเราก็จะ ลาความอยากได้ทั้งหมดพอไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ในใจแล้วความสงบที่ถาวรใช่ก็จะปรากฏขึ้นมาความสงบของที่ถาวรเกิดจากการมีปัญญาเห็นว่าเหตุที่ทําให้ใจไม่สงบก็คือความอยากต่างๆนี่พอกําจัดความอยากต่างๆได้หมดแล้วใจก็จะไม่มีอะไรมาทําให้มันไม่สงบอีกต่อไปมันก็จะสงบไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุด อันนี้แหละคือความสงบของพระนิพพานคือใจที่ปราศจากความอยากทุกชนิดไม่มีความอยากอะไรหลงเหลืออยู่ในใจอีกต่อไปไม่มีกามตัณหาไม่มีภาวะตัณหาไม่มีวิภาวะตัณหาใจก็จะนิ่งไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดและใจที่ไม่มีความอยากนี้ก็จะไม่ไปเกิดอีกต่อไปเพราะเหตุที่พาให้ใจไปเกิดก็คือความอยากนี่ เมื่อไม่มีความอยากแล้วก็จะไม่มีการไปเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปเมื่อไม่มีการแก่เจ็บตายก็ไม่มีความทุกข์อีกต่อไปทุกข์ก็จะหายไปอย่างสิ้นเชิงหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างถาวรโดยการมีศรัทธาความเชื่อในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็นําเอาไปปฏิบัติ ด, ด้วยความศรัทธาด้วยความภาคเพียรด้วยฉันทะวิริยะด้วยความยินดีด้วยความพอใจเพียรปฏิบัติเพิ่มขึ้นไปตามลําดับ อยากน้อยไปหามากตอนนี้เราทำบุญทำทานได้มากน้อยเท่าไหร่ก็ทำไปล้วพยายามเพิ่มทำให้มากขึ้นแล้วก็รักษาศีลได้มากน้อยเท่าไหร่ก็รักษาเพิ่มขึ้นไปตามลาดับภาวนาได้มากน้อยเพียงไรก็พยายามเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆของพวกนี้เพิ่มได้อยู่ที่ความศรัทธาอยู่ที่ความเพียรของเราเท่านั้นเองไม่ได้อยู่ที่อะไรถ้าเรามีความเกียจข้านมันก็จะไม่มีทางที่จะไปถึงไหนได้ ทุกครั้งที่เรามีความเกลียดข้าเราจะต้องเอาความเพียรมาสู้กับมันเราต้องเตือนเราว่าโอกาสทองอย่างนี้หาได้ยากโอกาสที่จะได้ไปถึงพระนิพพานนี้ไม่ใช่จะเกิดขึ้นได้ทุกภพทุกชาติถ้า เ, าเกิดเราตายไปจากภพนี้แล้วชาติหน้าเราอาจจะไม่มีได้มีโอกาสแบบชาตินี้ถ้าเราคิดอย่างนี้มันก็อาจจะทําให้เราอทําทลายความเกลียดข้าได้สู้ต่อไป ทำได้มากได้น้อยทําไปเินกล่ามันจะทําทไม่ไหวก็พักก่อนก็ได้บางครั้งบางคราวก็อาจจะต้องพักบ้างถ้าเพียรมากเกินไปสุดโต่งเกินไปมันก็มันก็ไม่ได้ประโยชน์มันไม่มีเรี่ยวมีแรงเมื่อถึงเวลาที่จะต้องพักผ่อนก็พักแต่ไม่ใช่พักไปตลอดเท่านั้นเองพักเพื่อเอาแรงเมื่อมีแรงแล้วก็กลับมาสู้ต่อไปนี่คือการที่เราจะหลุดพ้นจากความทุกข์ไ ด, ด้ต้องเกิดจากความเพียร น, นี่เอง ดังที่พผู้เจ้าทรงตรัสไว้ว่าจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้นี้ต้องหลุดพ้นด้วยความเพียรพยายามที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอไม่หยุดไม่หย่อนไม่ย่อท้อไม่ไม่ถอยจงกาจะสําเร็จจงการจะพบกับความสําเร็จเมื่อได้พบกับความสําเร็จแล้วก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเพียรอีกต่อไปผู้ศรีตังบ ร, รมเจรยอ่างคือกิจในพรหมจรรย์นี้ได้สิ้นสุดลงแล้ว เมื่อเราได้เข้าถึงความสุขของพระนิพพานไม่มีกิจอื่นใดที่จะต้องทำอีกต่อไปอ น, นี้ก็คือเรื่องของวันหยุดที่ทําให้เรามีเวลาได้มาทําบุญได้มาทําความเพียรกันก็ขอให้เราใช้เวลาอันมีค่านี้ให้เกิดคุณอย่างสูงสุดด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วไม่ช้าก็เร็วการหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด การเข้าถึงสเข้าถึงความสุขของพระนิพพานก็จะต้องเป็นผลที่เกิดขึ้นมาอย่างแน่นอ น, นการแสดงสำหรับวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะทาวะริวาหาปุราปาริปุเรนติสากหลังเอวเมวะอิโตชินังเปตานังอุปกาปติ อิจิตังปัตติตังตุมหังคิปเมวะสนิจฉะตุสัพเพตุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติราโสยธาสัพพิติโยวิวัจฉันตุสัพพะโรโขวินัสตุมาเตภวัตตะวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะ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 ถ้าไม่อยากจะถามเองเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ครับน้มัศการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้มีผู้รับฟังธรรมนัตกุติจากทางเฟซบุ๊ก423ท่านทางยูทูปพระอาจารย์ 367ท่านทางดรวีชาแนิท่านทางยูทยุออนไลน์17ท่านครับเฮาส์6ท่านหน้าคุติมี1 5 1ท่านรวมทั้งหมดเป็นหนึ่งท่านเจ้าค่ะมีคำถามเมื่อานา่นเจ้าค่ะมีคำถามจากผู้รับฟังธรรมา น, น้าคุติค่ะจากคุณโยโ ย, โย่คนที่ผมรักเชื่อในบุญในบาท แต่ไม่เชื่อนรกมีสวรรค์มีเพราะไม่เคยเห็นจึงไม่เชื่อว่ามีอยู่จริงเราจะมีวิธีแก้ความเห็นผิดนี้ได้อย่างไรครับเราเชื่อหรือเปล่าเราเชื่อเราก็บอกเขาไปตามที่เราเชื่อเลยทำไมเราเชื่อได้ทําไมเขาไม่เชื่อเขาต้องมีเหตุอะไรที่ทำให้เราเชื่อก็บอกเขาไปถ้าเขาไม่เชื่อก็ช่วยไม่ได้ในเรื่องเป็นของที่ต้องพิสูจน์กันอีกที เพียงเจอเห็นจริงถ้าไม่มีส่วนนี้มันก็เป็นเพียงแต่ความเชื่อซึ่งอัจจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้เชื่อค่ะคำถามต่อไปจากผู้รับฟังธรรมกาานากุติเจ้าค่ะมีสองข้อข้อที่หนึ่งอวิชชาปัจจญาสังขาราแบบนี้สังขารที่ดีมีประโยชน์จะให้โทษภายหลังไหมครับสังขารคือความคิดปรุงแต่ง ซึ่งคิดไปทางที่เป็นประโยชน์ก็ได้คิดไปในทางเป็นโทษก็ได้เป็นคิดไปทำบุญนี่ก็เป็นประโยชน์คิดไปขโมยของเขานี่ก็เป็นโทษเราต้องรู้จักแยกแยะสังขารให้คิดไปในทางที่ดีทางบุญทางกุศลอย่าไปให้คิดไปในทางบาทางอกุศลใชมคะข้อที่สองการสมาทานสามารถดับอุปทานได้ไหมครับ ทราบสมาทานอะไรการสมาทานนี่เป็นการแสดงเจตนาว่าเราจะทําอะไรเช่นรักษาศีลแล้วก็สมาทานศีล่วนอุปทานนี้มันเป็นเรื่องของความยึดมั่นถือมั่นการจะเล่าอุปทานได้ต้องเห็นด้วยปัญญาเห็นตายรักถึงจะเล่าอุปทานได้ช่ค่ะจากคุณอิน uh, บิวยูทูบสักค่ะกับเรียนถามครับหากพระนิพพานไม่มีการกลับมาเกิดอีก สิ้นอสวะกิเลสฉะนั้นพระนิพานเป็นอัตตาหรืออนัตตาครับมันไม่ได้เป็นอัตตาเป็นอนัตตามันเป็นนิพานมันเป็นจิตที่ดุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเจ้าค่ะยังไม่มีคำถามเข้ามาเจ้าค่ะจากช่อง YouTube ของดเรวีเจ้าค่ะ จากกุญแจมนั่งสมาธิอย่างไรให้จิตหลุดพ้นค ะ, ะใช้สมาธิมันก็เจะหลุดพ้นได้ชั่วคราวเวลาใจสงบอยู่ในสมาธิความทุกข์ก็หายไปแต่พออจากสมาธิมาความทุกข์ก็จะกลับมาใหม่ได้ถ้าอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างถาวรต้องทําด้วยปัญญาต่ออีกชั้นหนึ่งเบื้องต้นก็หยุดความดับความทุกข์ด้วยการใช้สมาธิ พออยากสมาธิมาพอความทุกข์จะเกิดก็ค้นหาสาเหตุของความทุกข์ว่าเกิดจากอะไร mm hmm. ก็จะเห็นว่าเป็นเกิดจากความอยากต่างๆก็หยุดความอยากนั้นด้วยการเห็นว่าสิ่งที่เราอยากมันเป็นทุกข์มันไม่พอมเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่เราไม่สามารถสั่งให้มันเป็นไปตามความต้องการของเราได้ม mm hmm. ันก็จะหยุดความอยากได้พอหยุดความอยากได้ความทุกข์ก็จะหายไปอย่างถาววเช้าค่ะจากคุณ ทิติชยาพระอาจารย์คะยาใจมีความสำคัญมากซึ่งหลายคนต้องการแต่หาได้ยากและจะหาเจอได้ ขึ้นอยู่กับบุญทางใจของแต่ละคนเหมือนระดับนักเรียนนักศึกษาแต่ละระดับชั้นความสนใจความเข้าใจจึงต่างกันสิ่งที่ดีเพื่อไม่ให้หลงทางหรือเดินทางผิดหากเดินทางผิดก็จะหลงเพราะความเชื่อจึงหาทางออกไม่เจอสิ่งที่หนูคิดถูกต้องหม่เจ้าคะเพราะผลการปฏิบัติคือพบความผลความเป็นจริง คือยาคือธรรมะโอสถเนี่ยเป็นยารักษาใจถ้าอยากจะให้ใจเราไม่มีทุกข์เราก็ต้องพยายามสร้างยานี้ขึ้นมายานี้ก็เกิดจากการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานี้เป็นปยาญาปฏิบัติศีลสมาธิไปปัญญาไปเรื่อยๆต่อไปเราก็จะมียารักษาโลกใจไม่ให้ใจทุกอีกต่อไปชค่ะคุณภูมิเทนีถามเข้ามาว่า กราบดีนถามพระอาจารย์ครับเวลานั่งสมาธินานนานหลายชั่วโมงความเจ็บปวดปวดขามันเด่นชัดกว่าบุทโธอยากทราบวิธีอดทนต่อทุกขเวทนาขณะนั่งสมาธินานนานครับก็ต้องอยู่กับคําบริกรรมอย่าไปคิดถึงความเจ็บเพราะคิดถึงความเจ็บแล้วมันจะสร้างความเจ็บอีกชั้นหนึ่งคือความทุกข์ใจขึ้นมาความอยากให้ความเจ็บหายไป ถ้าเราไม่ไปคิดถึงความเจ็บเราอยู่กับพุทโธได้ความเจ็บก็ใจก็จะไม่สร้างความทุกข์ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเมื่อไม่มีความทุกข์อีกชั้นนึงใจก็จะอยู่กับความเจ็บของร่างกายได้ฉะนั้นต้องพยายามขยันบริกรรมเวลาที่เกิดความเจ็บอย่านั่งเฉยๆพยายามดึงใจออกจากความเจ็บนั้นอย่าไปคิดถึงความเจ็บนั้นให้คิดอยู่กับคําบริกรรมพุทโธพุทโธไปถ้าเดี๋ยวใจก็จะนิ่งแล้วความเจ็บก็จะไม่เป็นปัญหา ขับใจต่อไปเจ้าค่ะจากคุณสุนัต ด, ดาวันไหนทานอาหารน้อย น, นั่งสมาธิได้ดีมากเลยค่ะเกี่ยวกันไหมคะพระอาจารย์เกี่ยวเพราะว่าเวลาอิ่มแล้วมันจะทำให้เกลียดค้านอยากจะนอนกำลังที่จะเจดิญสติมันถดถอยไปเวลาหิวนี่เวลาไม่ไม่อิ่มนี่ใจมันจะร่างกายมันจะเบาแล้วจะทำให้ การเจริญสตินี้เป็นไปได้ง่ายขึ้นเจ้าค่ะยังไม่มีคาถามเข้ามาเจ้าค่ะการปฏิบัติก็บางทีก็ต้องอาศัยอุบายต่างๆเพื่อกระตุ้นสติการจะกระตุ้นสตินี้ก็คือการผ่อนอาหารนี่ก็จะช่วยได้เวลาร่างกายมันไม่อิม่มมันไม่หิว ม, มันก็จะทำให้มันไม่ไม่เกียดคร้านไม่ง่วงนอน มันก็จะทำให้การเจริญสตินี้เจริญได้ง่ายอีกวิธีหนึ่งก็คือถ้าเราอดอาหารหรือผ่อนอาหารไม่ได้ก็ต้องไปอยู่ตามที่สถานที่มันน่ากลัวเช่นไปฝึกสติในป่าช้าหรือไปอยู่ในป่าเปลี่ยวที่มีสิงสารสัตว์มันก็จะทำให้เรามีสติสาตังขึ้นมาโดยอัตโนมัติเรจะทำให้เราอยู่กับพุโทโธพุโทโธพุโทโธได้ไม่ใรจะไม่นอยไปคิดเรื่อ ง, งต่างๆ ดังั้นถ้าเราอยากจะได้สตินี่บางทีเราก็ต้องยอมไปทนกับความกลัวบ้างกลัวกลัวผีอย่างนี้แล้วกลัวสิงสาราศเพืก็จะได้ปลูกสติขึ้นมาแล้วก็กลัวกับความหิวก็ต้องอดอาหารหรือผ่อนอาหารอย่า ก, กินอาหารมากเกินไปแล้วมันจะมีทําให้มีสติดีขึ้นวันนี้มันก็เป็นเพียงช่วงที่เราปฏิบัติเท่านั้นไม่เราไม่ได้ทรมานแบบนี้ไปตลอด พอเราได้สติแล้วเราสามารถไปปฏิบัติที่ไหนได้เราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปอยู่ในที่มันน่ากลัวอีกต่อไปหรือไม่จาเป็นที่จะต้องผ่อนอาหารเรือห่อนอาหารเราสามารถกินอาหารตามปกติได้เชาา้าค่ะจากคุณอภิชยัยพู้ถือสินแปดดื่มนมเปรี้ยวบีทาเกนที่มีส่วนผสมของจูลินซีตอนก่อนเที่ยงได้ไหมครับ ถ้าก่อนเทียก็ได้อยู่แต่หลังเที่ยงไม่ได้ถือว่าเป็นอาหารยังไม่มีคำถามเข้ามาเจ้าค่ะมีคำถามจากทางเฟ e บุ o k เจ้าค่ะใช้คำบริกรรมพุทโธแต่นึกถึงพระสงฆ์ตรงจุดประสงค์ไหมครับไม่ตรงเราต้องอยู่กับพุทโธอย่างเดียวอย่าไปนึกถึงเรื่องอื่นให้อยู่กับคำบริกรรมอย่างเดียว เราต้องการให้ใจนิ่งใจสงบใจเป็นหนึ่งต้องอยู่กับเรื่องเดียวอยา่าไปอยู่กับหลายเรื่องหลายเรื่องมันก็เป็นหลายใจใช่ไหมหลายใจใจก็จะไม่รวมหลายใจรวมก็อยู่กับเรื่องเดียวพุทโธอย่างเดียวเล้อดูรวมหายใจเข้าอย่างเดียวอยันนี้ก็จะทำให้ใจรวมเป็นสมาธิได้คำถามจากคุณเปียกบ้านฉางเจ้าค่ะ ผมทำบุญแต่ละครั้งอธิษฐานให้กับพ่อแม่ปุยตายายและภรรยากับเจ้ากรรมในเวรไม่ค่อยให้กับตัวเองคำถามแล้วผมจะได้บุญไหมครับบุญเป็นของเราเพียงคนเดียวเราทำบุญแทนคนอื่นไม่ได้นอกจากคนที่เขาตายไปแล้วเราอาจจะแบ่งบุญไปได้เพียงนิดหน่อยช่วยให้เขาได้มีบุญบ้างแต่ไม่มาก แต่สำหรับคนที่มีชีวิตอยู่นี่ต้องชวนเขาไปทำบุญจะดีกว่าเขาจะได้บุญแต่เราทำบุญแทนเขาไม่ได้ คุณเปลมจิตจะาถามเข้ามาว่ากราบนรัมสการ์พระอาจารย์และกราบเรียนถามค่ะกรณีวัดที่มีพระไม่ครบห้ารูปไม่สามารถรับกรถินได้ใช่ไหมคะและถ้าหาพระจากวัดอื่นเพิ่มได้จนครบจะรับกระถินได้ไหมคะกราบขอบพระคุณค่ะก็ไม่มีข้อห้ามข้อห้ามก็คือต้องมีพระอย่างน้อยห้ารูปขึ้นไปถ้าที่วัดที่เราอยู่จำมันสามมีแค่สี่รูป เราก็นิมนต์พระที่จำพรรษาวันอื่นมาร่วมก็ได้ก็จะได้ห้าคนไม่แน่นะอันนี้เราก็ไม่ไม่ไม่แม่นทางพระวินัยแต่ตามความคี่ของเราก็<ม>ถ้าพระรูปนั้นที่นิมนต์มาท่านไม่ได้รับกรถินแล้วเพราะโดยกฎของกรถินนี่พระแต่ละวัดนี้จะรับกรถิ่นได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นเองไม่ใช่ว่ารับจากวันนี้แล้วก็ไปรับจากวันนั้นต่ออไปวันนั้นต่อ อันนี้พระพุทธเจ้าต้องการปรับความโลกให้ให้มีภาพพอใช้ได้พออยู่ได้ก็พอไม่ให้ต้องการให้มีมากเกินไปก็เลยต้อ ง, ต, องต้องบัญญัติข้อห้ามาตาม่างถวายกระถิ่นได้เพียงครั้งเดียวต่อหนึ่งวัดแล้วก็ต้องถวายภายในดึงเดือนตั้งแต่วันออกพรรษาไปจนถึงถึงวัน้อยกระทงเนีย่ยเป็นเป็นเวลาที่จะรับผ้ากระถินถวายผ้ากระถินได้ ถ้าเกิดเวลานั้นแล้วก็หมดเวลารับไม่ได้ถวายไม่ได้แล้วก็พระที่จะรับพระกถินได้นี้จะต้องอยู่จำมัรษาตลอดระยะเวลาสามเดือนด้วยนี่คือกฎระเบียบที่พูะเจ้าได้ทรงตั้งขึ้นมาเจ้าค่ะจากคุมพุนทะเนรขอาการสอบถามอีกคำถามครับ ตอนนั่งสมาธิแล้วปวดมากๆควรบริกรรมแต่คำว่าพุทโธอย่างเดียวหรือว่าควรพุทโธควบคู่กับดูลมหายใจด้วยขอรับเพราะเวลาปวดมากๆผมจับลมหายใจไม่ค่อยอยู่ขอรับขออยู่กับคำบริกรรมอย่างเดียวจะดีที่สุดว่ามันง่ายที่สุดนั้งก็ไม่ยุ่งยากไม่ต้องดูลมในขณนะนั้นเอาพุทโธอย่างเดียวเราอย่าไปปล่อยให้ใจไปคิดถึงความเจ็บ เดี๋ยวพอใจลืมเรื่องความเจ็บไปความเจ็บก็จะไม่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจเจ้าค่ะพระอาจารย์อย่างถ้าเกิดเราเรานั่งเราใช้ดูลมหายใจสักพักหนึ่งเหมือนเหมือนตัวเราเบาไปแล้ววะเจ้าค่ะแล้วมั น, นว่างๆมันต้องทำยังไงต่อเจ <c oughs> <ๆ>้าค่ะก็ดูลมต่อไปมันยังไม่รวมก็ดูไปเรื่อยๆจนกว่าจิตจะรวม รวมแล้วก็ไม่ต้องดูลมไม่ต้องดูอะไรเพราะตอนนั้นมันทุกอย่างจะหายไปหมดเหลือ แ, แต่ความว่างเจ้าค่ะหมายถึงว่าถ้าเกิดนั่งแล้วดูลมแล้ ว, ลวพอลมหายใจเราก็ไม่รู้สึกอะคะ่ะเจ้าค่ะต <c oughs> ้องต้องทายังไงต่อเจ้าค่ะก็ดูที่เดิมเลยดูที่เดิมได้ก็ดูที่เดิมต่อไป <c oughs> จเจ้าค่ะมันยังไม่รวมอะถ้ามันรวมแล้วมันจะรู้เองว่าไม่ต้องทําอะไรแล้วแต่ถ้ายังไม่รวมนี่มันก็ยังใกล้ๆจะรวมแล้วตอนนั้นลมก็จะเริ่มแบบแผ่วแเบาลง ก็ดูไปที่จุดเดิมไม่ต้องย้ายที่ดูให้ดูเฉยๆให้ดูเฉยๆแล้วเดี๋ยวจิตถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันเดี๋ยวมันก็จะรวมให้กับเราเจ้าค่ะคำถามจากทางยู u b e เจ้าค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์แฟนอยากมาฝึกภาวนาขับพระอาจารย์ต้องทำอย่างไรเจ้าค่ะ เมากับเราไม่ได้หรอกต้องไปติดต่อกับที่พักของทางวัดเราว่าจะจัดที่พักให้การภาวนานี้ต้องภาวนาตามลำพังไม่ได้ไปนั่งภาวนากับคนนั้นคนนี้ไม่เหมือนกับไปการไปเต้นรำอย่างนี้ <c oughs> เต้นรำกงมีคู่เต้นด้วยแต่การภาวนานี้ต้องอยู่คนเดียวภาวนาคนเดียวเพียงแต่มาเรียนรู้ได้มีคาถามว่าถามได้เช่นตอนนี้เป็นตอนเรียนรู้ฟังเทศฟังธรรม บางเรายัางไม่เข้าใจในเรื่องใดก็สามารถถามได้ในตอนนี้ก็ทำได้เท่านี้ถ้าถ้ า, ถ, าถ้าต้องการมาเรียนจากเราอากจะมานั่งสมาธิกับเรานี้เราไม่มีเวลากาหนดให้ใครมานั่งด้วยการทำสมาธินี้เป็นการกระทำตามลำพังเช้าค่ะจากคุณสิริราาัตน์าค่ะ เวลานั่งสมาธิจะดูร่างกายหายใจเห็นกายเป็นก้อนๆหนึ่งที่มีเวทนาแทรกเข้ามาอยู่เนืองๆส่วนใจก็เป็นเหมือนคนคอยดูกายดูเวทนาไปทำอย่างนี้ถูกไหมคะไม่ถูกหรอกถ้านั่งสมาธินี้ต้องดูแต่ลมอย่างเดียวดูลมหายใจเข้า อ, อย่างเดียวแล้วก็ไม่ไไม่ต้องไปปรุงแต่งว่าลมเป็นอย่างนั้นลมเป็นอย่างนี้ให้รู้เฉยๆรู้ตามความเป็นจริงของลม ลมเข้าก็รู้ว่าเข้าลมออกก็รู้ว่าออกลมสั้นก็รู้ว่าสั้นลมยาวก็รู้ว่ายาวแค่ น, นั้นเองอย่าไปปรุงแต่งว่าลมเป็นอย่างนั้นเป็นเมฆเป็นหมอกเป็นควันเป็นอะไรอันนี้เป็นการปรุงแต่งนะถ้าปรุงแต่งแล้วนั่งไปจนมันตายจิตก็จะไม่สงบนะเราต้องการหยุดความคิดปรุงแต่งตา่างๆโดยให้ใจรู้เฉยๆให้รู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกท่าขาหายใจอย่างอย่างเรานั่ง นั่งนั่งแล้วพอออกจากสมาธิแล้วความรู้สึกเหมือนเหมือนเราไม่เคยนิสัยดีอย่างนี้มา ก, ก่อนนะคะเหมือนไม่มีอารมณ์อะไรเลยหรือมันว่างๆแบบนี้ถูกไหมคะถูกแล้วความความสง บ, บจะทำให้ใจเราอิ่มไม่หิวโหยกับสิง่งต่าง <Okay. S 1> มันช่วยตัดกิเลสตัณหาได้เพียงแต่ว่ามันยังกำจัดไม่ได้อย่างสมบูรณ์ แต่มันตัดกำลังของความโลภความอยากได้เลวลาออกจากสมาธิใหม่ๆมันรู้สึกอิ่ใจสุขใจไม่มีความอยากจะได้อะไรมีอะไรแต่ถ้าปล่อยไปสักระยะหนึง่งความสุขใจอิ่มใจนั้นก็จะค่อยๆหายไปพอหายไปแนละ้วทีนี้ความอยากก็จะผล่ขึ้นมมาเราก็ต้องกลับเข้าไปในสมาธิต่อต้องกลับเข้าไปเรื่อยๆพอรู้ว่าใจเริ่มหิวโหวยแนละ้วเริ่มอยากสิ่งนั้นเริ่มอยากสิ่งนี้ก็แสดงว่าเราต้องกลับเข้าไปในสมาธิก่อน ถ้าเรายังไม่สามารถใช้ปัญญาตัดความอยากได้แต่ถ้าเราสามารถใช้ปัญญาตัดความอยากได้เราก็ไม่ต้องเข้าสมาธิเพียงแต่สอนใจว่าความอยากนี้เป็นตัวที่ทําให้ใจเราไม่มีความสุขทําให้ใจเราหิวโหยแล้วสิ่งที่เราอยากมันก็ทําให้ใจเราทุกข์เพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงพอเราเห็นว่าความอยากนี้ไม่ดีเราก็หยุดความอยากได้พอเราหยุดความอยากใจก็จะสงบแล้วก็เกิดความสุขเหมือนกับขณะที่อยู่ในสมาธิ ที่่ไมต้งเข้าสมาธิค่ะจาก YouTube เช้ากราบนมัสการถามครับทุกๆอริยบุคคลที่ได้พระโสดาบันจะต้องผ่านธรรมข้อที่เชื่อว่าอะไรเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้วดับไปเป็นธรรมดาทุกๆโสดาบันนั้นๆไหมครับก็ต้องเห็นใจรักนะเห็นใจรักในขนันห้าในโเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ เป็นอ น, นิจจัไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ต้องดับไปเป็นอ น, นัตตาไม่มีใครควบคุมบังคับได้เจ้าค่ะจากคุณนิติมาเจ้าค่ะการวางเฉยคือการรับรู้แต่ไม่สนใจใช่ไหมเจ้าค่ะสนใจแต่ไม่มีปฏิกิริยาต่อการรับรู้ไม่มีความรักความชังความกลัวความหลงกับสิ่งที่รับรู้แต่สนใจรู้อยู่ตลอดเวลารู้ว่าคนนี้เป็นยังไงดีไม่ดียังไงแต่ไม่ไปรักไปชังไปอะไรกับเขา รู้เฉยๆได้นีมเช้าค่ะถ้าอยู่ดีๆจิตคิดไม่ดีสบาบไหมคะและจะมีวิธีแก้การคิดไม่ดีนี้ได้อย่างไรคะก็ใช้พุโทโธแทนเข้าไปแทนความคิดนะั้นพุโทโธก็เป็นความคิดอย่างหนึ่งแต่เป็นความคิดกลางๆไม่ดีไม่ชัว่วทำให้ใจเราว่างใจให้เราสงบพุโทโธนี้เป็นเหมือนอย่างลบในที่เราบนกระดานดำเนี่ย ในห้องเรียนนี้ก็จะมีกระดานเวลาอาจารย์เขียนข้อความอะไรต่างๆเวลาต้องการจะลบข้อความเ้าก็มีที่ลบมันออกพุโทโธก็เหมือนอย่างลบที่ลบความคิดต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราพอคิดไม่ดีแล้วก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปความคิดไม่ดีนั้นก็หยุดหายไปเชา้าค่ะจากคุณเมมโม่กราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะ ตั้งใจฟังธรรมะเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงรู้สึกเบาสบายว่างๆอยู่ระยะหนึ่งใช่สมาธิไหมคะก็เป็นความสงบระดับหนึ่งแต่ยังไม่ร uh, ู้เนีเจ้าค่ะยังไม่มีคําถับเข้ามาเจ้าค่ะถ้าไม่มีก็ท่านมีใครไหมไม่มีใครนะไม่มีใคถ้าไม่มีก็ท่านี้ก่อนสาหรับวันนี้